จะรู้ธรรมะได้อย่างไรนัะจะคิดอย่างนี้มีคนเป็นจำนวนมากถ้าคนไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนบาลีจะปฏิบัติธรรมะไม่ได้เข้าใจกันอย่างนี้แต่ในขณะนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นธรรมะนั้นมันไม่ใช่เป็นของเก่าของแก่ ของโบราณโบราณอะไรกันแต่มันก็เป็นของเก่าเป็นของแก่เป็นของโบราณโบราณกันทําไมพูดอย่างนั้นไม่เป็นของเก่าและกลับเป็นของเก่าก็พูดอย่างนั้นแหละสิเพราะธรรมะนั้นมันคือตัวคนนั่นเองกําลังทํากําลัง พูดชั่วคิดชั่วก็เป็นหาธ ร, ริปคำธรรมะนั้นไม่กำหนดกฎเกณฑ์ตายลงไปว่าเป็นคนไทยและเป็นคนจีน คนไทยก็มีโกรธมีเกลียดชอบเหมือนกันคนจีนก็ยังมีโกรธมีเกลียดมีชอบเหมือนกันให้ว่าคนเนี่ยทุกศาต์ทุกภาษาทุกเพศทุกวัยก็มีโกรธมีเกลียดเช่นเดียวกันศาสนาคิดก็มีโกรธมีเกลียดเหมือนกันศาสนาอิสลามก็มีโกรธมีเกลียดเหมือนกัน พุทธศาสนาก็ยังมีโกรธมีเกียิเหมือนกันหรือจะเป็นศาสนาดึกดำบรรพ์เช่นศาสนาพาพหรือศาสนากินดูที่เราเคยพูดกันว่พาพุทธพามกินดูก็ยังมีโกรธมีเกยียดเหมือนกันนั่นแหละคือธรรมะเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความโกรธเกยียดสาหา นัชยากันนั้นนั่นแหละคืออาทับมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าโกรธเกลียด ม, มันจะทุกข์เมื่อโกรธให้คนนั้นคนนี้มาขอบพูดไปอย่างดังๆแรงๆเนี่ยไปด้วยทุกข์อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์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 ใจเองมันเป็นคนพูดใจเองมันเป็นคนรู้ปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติลงไปที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปเห็นสีแสงผีเทวดาโ ล, ลกสวรรค์จึงจะเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการขาดคิดเอาพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วหลายวิธีเรื่องกับโคกับอาจารย์มาก็เป็นจํานวนมาก ธรรมะจริงๆนั่นคือตัวปกตินั่นเองปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นแหละคือธรรมะถ้าผิดปกติกายผิดปกติวาจาผิดปกติใจก็แสดง ว, ว่าเป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะธรรมชั่ววันอย่างนั้นจังนั้นการศึกษาธรรมะนั้นจึงศึกษาหาของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลง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 ดังนั้นการศึกษาธรรมนั้นจิ้มันมีมากมันมีหลายครูหลายอาจารย์ในประเทศอินเดียเพาะครูวิสิตธรรมจารย์เป็นอุปชาผมแต่เมื่อวดเป็นพานุม่มในระยะอายุยี่สิบปีท่านก็เป็นอุปชาให้มาวัดครั้งนี้เป็นน้องตาอัางนี้ก็ท่านก็เป็นอุปชาให้ ท่านสอนท่านเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียนั้นมีรอยแปดละทิร้อยแปดกายร้อยแปดอาจารย์ใครชอบอาจารย์ไหนละทิใดก็ไปหาอาจารย์นั้นละทินั้ น, นท่านเ่าอย่างนั้นละทิต่างๆนั้นสอนกันนอนเสื้อนอนน้ำก็มีไม่นุงเสื้อไม่นุ้งผ้าก็มีกินข้าวเลียเอาเหมือนสุนัข ก, ก็มี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 แมวกินหนูจึงเลือดไม่มเพราะมันตกใจจิตใจมันขาดจุดคีดมันเลยมันไม่เคยให้แมวจับอันนี้แหละที่ว่าพอดีมันคิดมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันไม่ทันเป็นอารมณ์ถ้ามันทันคิดเป็นอารมณ์เข้าไปเขาวัด ต, ต่าอง์จรวัด ต, ตะสงสาร คาว่าวัตะสงสารยืนยาวนานสําหรับคนผู้ที่ไม่รู้ธรรมสักหน่อยคำว่าวัตฏะสงสารของคนผู้ที่รู้ธรรมนั่นคือยังไงวัตฏะสงสารสาหรับคนผู้ที่รู้ธรรมนั่นมันอิดใจเดียวตนเองดังนั้นความคิดนี่พ อ, อดีมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็ปูงเป็นเรื่องเป็นราวไป สังขารเป็นอารมณ์ไปนั่นแหละท่านว่าวัฏสงสารยืนยาวนานสำหรับบุคคผู้ที่ไม่รู้เรานึกว่าตายศาสตรนี้ไปเกิดศาตร์นั้นตายศาสตรนั้นไปเกิดศาสนั้นเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นการเข้าใจไม่ตรงแต่ความเห็นของคนมันคนละเรื่องระดับสติปัญญามไม่เหมือนกันพวกเรา มีการศึกษามีการเล่าเรียนเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานักเรียนป .1 ถึงป .6 เรียนจากป .6 เราเรียนมัธยม1ถึงมัธยม6เมื่อจบมัธยม6แล้วก็ต้องเตรียมไปเรียนมหาวิทยาลายัยเมื่อเรียนในมหาวิทยาลายัยแล้วก็ต้องเป็นปริญญาตรี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 อย่าเชื่อถือเห็นว่าทำตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราหรือมีอยู่ในกมถีสิบข้อด้วยกันอภิญญาณตัดเอาไว้เราจะไปเชื่อทำใหม่เชื่อคนดังนั้นฟังแล้วเชื่อทันทีก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็อไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างก่ ฟังแล้วเสื้อทันทีอย่างที่องคุลิมานเสื้ออาจารย์อาจารย์จะสอนวิสาดีๆให้ถ้าหาคนมาสองพันธคนแล้วอาจารย์จะสอนหาถาหายตัวได้ดำดินบินบนไดน้องคุลิมานเป็นคนใจถึงคนอยากรีกจริงๆพขจะไปหาคนเป็นยังไง อันนั้นก็แสดงว่าฝังและเสื้อทันทีไม่ได้คุณแต่โชกดีมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปขวางหน้าไหว้หรือไปทวนกระแสขององคุลิมานไล่องคุลิมานจะไปฆ่าแม่ตัวเองเพราะไปที่ไหนทางไหนก็คนตื่นดังเล่าลือไปว่าองคุลิมานเป็นมหาโจรฆ่าคนไปตั้งพันคน พระพุทธเจ้าก็ไปต้อนหรือเป็นความน้าเอาไว้องค์คุริมาลเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกหลมคมคิดที่จะฆ่าแม่ตัวเองก็จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะที่เห็นพระพุทธเจ้าก็จับตาวิ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแลนไปบ้านของคฤหัสถ์แลนไปแลนจะาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยเดินไปเดินไป องคุริมานวิ่งไปไวิ่งเหนื่อยแล้วก็ถามสมณะโคดมไม่กลัวตายจะวิ่งไปทำไมจะเดินไปทำไมพูดทาทำไมเอาพระพเจ้าของเราเลยบ่เลยเราไม่ได้วิ่งเราไม่ไดเดินองคุริมานก็บอกว่าทำไมไม่ได้วิ่งทำไมไม่ได้เดินจากโกหกเราไม่โกหกเราไม่ได้วิ่งเราไม่ไดเดิน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 องขุยมานก็ไปหยุดข่มคิดได้เนี่ยอันนี้เลยว่าหยุดคงคิดไทยได้ถ้าหยุดค่คิดไม่ได้เขาเดียววัฏฏะสงสารยืนยาวนานสาหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำวัฏฏะสงสารสําหรับบุคคลผู้ที่รู้ทำแกบบ็เรียวเท่านั้นเองหยุดได้อันนี้แสดงว่าการฟังธรร ม, มนั้นฟังแล้วจะเสื่อทัน ไม่เชื่อถือก็อไม่ได้มันมีตัวอย่างฟังแล้วไม่เชื่อก็อย่างอุปการศิวคุหนึ่งเสแสรงขาพระพุทธเจ้าต้องการทำมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตัดรู้ออกมาใหม่ๆจะไปโปลดพวกปัญจวัคคีเดินมาเข้ามาพบนักหวชคนนี้แหละคนแรกที่สุดเรียามอุปการศิวคนนี่แหละ พอดีเจอพระพุทธเจ้าเขาก็พระพุทเจ้ามีกิริยามารยาทหน้าตาแข้งขามือเท่าสวยงามดีเดินไปละมัดระวังเป็นอย่าง้นก็ถามท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนธรรมะวทไหนหน่าเลื่อมใสน่านับถือนี่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 คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์จะรู้ได้อย่างไงไม่เข้าใจอย่า ง, งนั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้ยังญาติโยมหรือเพื่อนภิกษุมสมมเนตรพระสงฆ์องเจ้าฟังผมพูดอยู่เดียวนี้หรือฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ท่านดูความคิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นความคิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อลุ้ความคิดของหลวงพ่อคนอื่นจะเห็น จะรู้ดีเหนือตัวเองรู้ตัวเองไม่ได้ดังนั้นคนโบราณท่านจึงสอนออกตำแหนแผ้ที่ลี้ลั์อยู่ที่ไหนก็ตามคนอื่นจะรู้ดีกว่าตัวเราไม่ได้ตัวเราเองรู้ดีกว่าคนอื่นทางนั้นและท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติทำมาคนตัวเราเองเป็นคนรู้ตัวเราเองเป็นคนเห็น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 ไ ม, ไม่ใช่เป็นของจีนไม่ใช่เป็นของจีนไม่ใช่เป็นของคนไทยซึ่งของทุกคนเป็นธรรมะประจำสร้างเรียกว่าธรรมะสากลปฏิบัติใจทุกคนอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติใจปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาแก้การขัดแยง้งแก้ความสับสนวุ่นวายแก้ทุกแก้เส้งจะว่าอย่างไรก็ได้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 ธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่งภาวนาธรรมะต้องเข้าในรูจะมูกหรือเข้ามาทางรูมูหรือเข้ามาทางไหนก็ตามเป็นอย่างนั้นหรือเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แม้จะมีปัญญานักเม็ดหินเม็ดซรายในท้องมหาสมุทรทะเลแน้วคบทุกเม็ดก็ตาม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 ไม่เคยดูความนึกความคิดของเรา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 ไม่ใช่จะสอนคนที่ทำผิดให้เขาทำผิดลงไปไม่ไดจคิดจากนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมก็ตามมาฟังก็ตามมาอะไรก็ตามตั้งจิตตั้งใจให้มีควมรู้สึกตัวการรู้สึกตัวการเคื่อนการไห้ภายนอกเรื่องกำมือเหเียดมือพิกมือขวมือ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 พผิดคิดผิดนั่นเองคนได้รู้ตัวตื่ตัวรู้ใจตื่นใจรู้ความคิดของเรามันนึกมันเคิดเห็นรู้เท่าทันเหตุการณ์นั่นแหละคือเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลคนรักษาจิตจิตใจยุตาาิธรรมถ้าหากยังไม่รู้ความคิดของตัวเองไม่เข้าใจความคิดของตัวเอง นั่นก็ห่างไกลจากพระคุธเจ้าข่างไกลจากศาสนาในทางตรงกันข้ามข้าคนใดไม่ขวัดไม่รักษาศีลไม่กินเกไม่อะไรก็ตามาแต่รู้คมคิดเข้าใจมคมขิดหยุดคมิดได้เห็นรู้เข้าใจจิตใจมัน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 ลงไปกิเลนตัณหาอุปทานลดน้อยเบาบางลงไปสินก็มีแล้วปรากฏขึ้นมาเองเพราะกิเลสเหล่านี้ลดน้อยหอยไปหรือเบาบางไปแล้วสินเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาดังนั้นสินสินนั่นเรียกวปกติเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้คําว่าปกตินี่เองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันมีอยู่แล้วเดี๋ยกว่ปกติกาย ปกติวาจาปกติใจตัวปกตินั่นแหละคือไม่ต้องทำอะไรครับมันมันมีแล้วในคนทุกคนอนนั่นแหละคือทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือปกตินั่นเองดังนั้นควรศึกษาและวรปฏิบัติให้รู้ตัวปกติน่นเองคนมีผิดปกติไปทางดีก็ช่างชั่วก็ตามเขาเดียวผิดปกติ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 เอามาใส่คู่ของกับชีวิตของเราชีวิตของเรามันมีค่ามากที่สุดมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนทํนาอุ่มากๆมดเงินเป็นล้านโกรธเป็นไม่โกรธติดถ้าโกรธเป็นแล้วมันจะได้ไปเรื่องอะไรแต่มันก็ดีหมดนานๆโกรธเป็นไม่โกรธป็นถ้าโกรธเป็นแล้วมันจะได้เรื่องอะไร แ่มนก็ดีอั น, นันเรียกสมมติท่านจึงศึกษาให้รู้สมมุติปัญญาตัลมัต์ปัญญาอัตถาปัญญาอันยะปัญญ า, าให้รู้จริงๆมันสมมุติพูดกันขึ้นมามันเป็นจริงๆโดยสมมุติจริงโดยปัญญาจริงโดยอัต